สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสตอรอฟเรข้าพเจ้าพระรมหาภัยบุ์สภิปุโนโจางวัดป่าดอนไฮโซก็มาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่เป็นประจำโดยในวันจันทร์เราได้ให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมการที่เราจะทรงไว้ซึ่งธรรมะต่างๆ ต, ตั้งสติขึ้นได้ทำสมาธิเป็นอย่างไรแต่เราก็จะมาพูดคุยกันในวันจันทร์ ในเมว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบการทําสมาธิหรือว่าการปฏิบัติที่เราจะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นั่นคือในช่วงบันจันทีพระพุทธเจ้าจะมาพูดคุยกันทั้งผู้ฟังในส่วนของวันอังคารแล้วก็วันพุธเป็นช่วงเวลาที่จะให้ฟังเรื่องที่เป็นพระสูตรแต่นคือเอาคําสอนสั้นๆของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้กันฟังเพราะว่าธรรมะเนี่ยจำไว้ฟังไม่ว่าจะเป็นใครอธิบายก็ตาม แต่จะเป็นโรรเเฟซอ์ศาสตราจารย์ที่เขาอยู่ตามมหาวิทยาลัยสอนวิชาเรื่องราวที่เป็นธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าจะเป็นครูอาจารย์ที่เป็นคราวารที่สอนธรรมะเขียนหนังสือบ้างทําเป็นซีดีบ้างต่างๆให้เราได้อ่านได้ฟังกันหรือแม้แต่จะเป็นพระเจ้าประสงค์ที่เทศสอนตามรายการวิทยุตามรายการทีวีหรือหรือว่าเขียนเป็นหนังสือออกมาก็มีเยอะแยะท่านต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดทังมทั้งหมดเลยทั้งสิ้นเลย ไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศท่านต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ต้องออามาจากที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เขาจะต้องไปอ่านจากพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งใ น, นไม่ว่าจะเป็นคนตะวันตกตะวันออกภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอาหรับอะไรต่างเขาจะต้องอ่านมาจากพระไตรปิฎกเนื้อที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่สูตรใดก็สูตรหนึ่งไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแตนะไม่หน้าใดก็หน้าหนึ่งไม่ตอนใดก็ตอนหนึ่งที่ก็ต้องอ่านสรุปมาแล้วแล้วก็ มาอธิบายให้เราฟังอย่างใดอย่างหนึ่งต้นตอนไม่อยู่ตรงนั้นต้นตอมันอยู่ตรงนั้นจะเป็นความจําเป็นทํานผู้ฟังที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังได้ฟังสิ่งที่อาจจะเคยได้ฟังหรืออาจจะไม่เคยได้ฟังก็แล้วแต่นซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของประสงค์ท่าผู้ฟังที่นําสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยมาให้ได้ฟังกันฟังพระสูตรเรื่องราวตรงนั้นตรงนี้บ้างอาจจะเป็นพระสูตรสั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ตัดตอนเป็นต่อเป็นตอนมา ซึ่งเนื้อหาที่ข้าพเจ้านํามาอ่านให้ท่านผู้ฟัง่โดยปกตินั่นก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสํานวนการแปลของหลวงพอ่อท่านพุทธทาสแต่ที่ได้เรียบเรียงรูปรวมมาไว้แต่โดยท่านเนี่ยมีผลงานที่เราชิ้นโบแดงและเป็นมัสเตอร์พียอยู่อยู่ห้าเล่มด้วยกันนังก็ชื่อว่าเป็นผลงานชุดจกักพระโอษฐ์เป็นธรรมโคตจากพระโอษฐ์ซึ่งมีอยู่ห้าเล่มลเป็นเล่มที่1นึ่งถึงเล่มที่5ของท่านในลําดับการพิมพ์คือท่านเนี่ยมีหนังสือเป็นร้อยๆเล่มเลย เล่มที่สําคัญที่สุดก็คือเล่มที่1ถึงเล่มที่5นี่แหละเป็นเรื่องการเอาข้อมูลจากพระไตรปิฎกแต่เป็นพระสูตรตรงนั้นพระสูตรตรงนี้นํามารวบรวมแยกแยะจัดหมวดหมู่ในเช่นจมนวนการแปลภาษาที่ฟังแล้วลื่นหูมีความสลัดสรย้ยแล้วก็รวบรวมเป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นนริยสัจจากพระโอษ์เป็นพุทธประัติจากพระโอษ์เป็นคุมทรับจากพระโอษฐ์แล้วก็เป็นปฏิจจสมุป บ, บาทจากพระโอษมีทั้งหมด5เล่มด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่ข้าพเจ้าก็จะนํามาจากตรงนี้แต่ที่นีม้มีความพิเศษอยู่นิดหนึ่งสําหรับรายการทางสอร์ทรอเอฟเอตรงนี้เพราะว่ารายการนี้มีผู้ฟังหลากหลายใ น, ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็หลายๆท่านนะที่มีความรู้ภาษาอังกฤษะก็เลยจะนําเรื่องราวที่เป็นภาษาอังกฤษมาพูดด้วยคือเป็นพระสุตตั้งเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษะคู่กันไป ทีนี้ก็มีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษแต่ข้าพเจ้าคิดว่าตรงนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้เราได้พัฒนาเรื่องของภาษาของเราด้วยนะเพราะว่าการที่เราอ่านข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นทั้งที่ภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยที่ของแต่ละท่านเนี่ยก็แปลมาจากภาษาบาลีเหมือนกันดังนั้นท่านไม่ต้มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นและมีตัวอย่างหนึ่งที่ต้องการจะบอกให้ได้ฟังคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้ให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับภูเขาใช่ไหมที่พระเช่าเปอร์เซนต์ที่โกศลเนี่ยได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปแล้วก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่ายังจะต้องทํากิจอะไรอีกอยู่หรือไม่ในความที่เป็นใหญ่ขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังแต่นะว่าถ้ามีภูเขาหินสูงเสียดฟ้าเลยแม่พอพูดถึงภูเขาหินสูงเสียดฟ้านี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปที่จังหวัดเชียงใหม่มา ที่เมืองเชียงใหม่ก็จะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆเมืองเชียงใหม่เขาเรียกว่าดอยสุเทพแต่ดอยสุเทพเนี่ยเป็นภูเขาที่สูงเหมือนกันถ้ามองจากทางเมืองเชียงใหม่มาเนี่ยก็จะเป็นภูเขาที่มีต้นไม้ปกคลุมอาจจะเห็นยอดของเจดีย์อยู่บนยอดเขาบ้างยอดดอยบ้างบางทีบางจังหวัดนะก็มีเมฆมันลอยปกคลุมอยู่ที่บริเวณยอดเขาด้วยเหมือนกันแต่ไม่คิดถึงว่าถ้าภูเขาอย่างดอยสุเทพเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งมันเคลื่อนออกจากฐานบุ่มบุ่มเข้ามาเนี่ย บทขยี่ทุกอย่างเข้ามาแล้วไม่ใช่มีแค่ภูเขาลูกเดียวมาจากทางทิศเดียวแต่เป็นภูเขาสี่ลูกมาจากสี่ทิศแต่พูดง่ายๆคือไม่มีทางหนีว่างั้นเถอะแต่ถ้าอยู่ในลักษณะนี้แล้วจะทําอย่างไรเรื่องราวที่ได้เล่าให้ฟังนันคือสําหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังตรงนี้แหละนะว่าพระเจ้าเปอร์เซนที่โกรธสนพอถูกถามอย่างนี้แล้วแล้วก็เลยพูดถึงจุดหนึ่งที่เราว่าโอ้ท้าเปลวว่า มีเหตุการณ์อย่างนี้จะไปสู้รบด้วยกองพลช้างกองพลม้าพลรถพลเดินเท้าก็คงจะไม่ได้จะสู้ด้วยเวทมนต์คาถาหรือสู้ด้วยทัพย์ก็คงจะสู้ไม่ได้อีกนื่อเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยเราเปรียบเทียบตรงนี้กับเรื่องของความแก่ความเจ็บและความตายแต่ว่าความแก่ความเจ็บและความตายเนี่ยเหมือนภูเขาหินนี่แหละที่มันกลิ้งมาบดเนี่ยไม่มีใครจะรอดได้เลยนถ้าบอกว่ามีความแก่ความเจ็บความตายมาเนี่ยจะไปต่อสู้ด้วยกองทัพช้างกองทัพม้าพลรถ พลเดินเท้าไม่ได้เลยเหรือแม้แต่การต่อสู้ด้วยเวทมนต์หรือว่าการต่อสู้ด้วยทรัพย์เจ้าของเวทมนต์นั้นเจ้าของทรัพย์นั้นก็ตายอยู่ดีแต่ น, น, นี่คือสรุปคร่าวๆให้ฟังประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตั้งฝังพระชาเปอร์เซนต์ที่โกศลได้พูดตรงหนึ่งตรงนี้ทั้งฝังบอกว่าในราชตระกูลนี้เนี่ยมีมหาอามาตย์ผู้มีมนต์ซึ่งสามารถจะใช้มนต์ทำลายค่าศึกที่ยกมาแต่ถ้าบอกว่าความแก่ความตายครอบงำอยู่แล้ว การลบด้วยมนเนี่ยไม่มนะีไม่สามารถที่จะรบได้นี่คือพระชาประเสริฐที่โคศ น, นบอกไว้แนตะ่ซึ่งพระประชาก็สรุปตามนั้นเหมือนกันนะยืนยันตามนั้นว่าถูกต้องออตรงนี้คําว่ามนเนี่ยจำฝังพอเราอ่านภาษาไทยเนี่ยเรา เ, าเข้าใจว่าโอคงจะเป็นมนดำํำนะเวทมนคาถานะหรือเสกอะไรให้มันปลิวมีพายุอะไรต่างจะมาสู้มาต้านหรือเสกเป็นไฟเสกเป็นอะไรต่างขึ้นมาเนี่ยสู้ไม่ไดนะ้ถ้าภาษาไทยเราจะเข้าใจไปอย่างนั้น ลองมาฟังภาษาอังกฤษตั้ตฟังเขาใช้คำหนึ่งที่ทำให้เราเห็นแตกต่างออกไปเขาแ ป, ปลยอย่างนี้ตัตฟังเขาบอกว่า In this royal court there is c o u n s e l l o r s who when the enemies arrive are capable of dividing them by subterfuge but there is no place for those battles of subterfuge no scope for them when aging and death are rolling in เขาใช้คำว่า subterfuge ตางต่ฟัง subterfuge ซาบเตฟิวช์ U B T e R f U G e. เนี่ยหมายถึงเลขกลนการวางแผนในะเช่นว่าคงเบ้งอย่างนี้เป็นตนนะคงเบ้งเป็นมหาอมาตย์นะของพระเจ้าเล่าปี่อย่างนี้นะนะใครเคยอ่านวรรณกรรมเรื่องสามก็คงจะทราบนะซาบเตฟิว์เนี่ยคือลักษณะของการใช้เลขกล น, นะที่เหมือนอย่างคงเบ้งวางแผนวางอุบายในการที่จะบุกย้ายดินแดนตีตรงนั้นรบชนะตรงนี้นะเพราะว่า ใช้เลขกลนตรงนี้ใช้การวางแผนตรงนี้ซึ่งมันเป็นคนละเรื่อง ก, กันกับเรื่องของมนคถาที่เราเข้าใจเวลาเราอ่านภาษาไทยเลยถ้าไม่เรามีมุมมองที่กว้างขวางขึ้นไปอีกแต่านผู้ังว่าคําว่ามนเนี่ยเรายังไม่ต้องพูดถึงภาษาบาลีละ ว, ว่ามันจะรากศัพท์มาเป็นไงมันจะยิ่งมึนไปอเอาแค่ว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนี่แหละอ่านกันตรงนี้ที่เราพอจะเข้าใจอยู่นะคำว่ามนที่เขาแปลมาตัวข้าพเจ้าเองตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับเม็มนคถามนดําพวกนี้ แต่ในขณะที่ภาษาอังกฤษนะเขาแปลกับแปลมาจากภาษาบาลีมกันนะ่ะก็แปลมาถึงเลขกลนเหนือกลนะ์นลวงกลางบางแผนแตนะ่ถ้าจะพูดถึงก็คือลักษณะของคงเบ้งหรือว่าเสนาธิการนะที่สามารถวางแผนการรบนะให้ฝ่ายเรามีชัยเหนือข้าศึกได้แตนะ่คํานี้มีความหมายลึกซึ้งที่แตกต่างกันแตนะ่นี้จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายๆจุดที่มาฟังนะที่ข้าพเจ้าสามารถยกมาให้ฟังกันได้นี่เป็นตัวอย่างเฉยๆ เดีเพื่อที่จะให้ทราบถึงเข้าใจถึงความสําคัญของการเข้าใจหลากหลายภาษาอันนี้มันดีและมีประโยชน์อยู่ทีนี้ถ้าบอกว่าเรายังไม่เข้าใจตรงไหนยังยากอยู่ก็ค่อยๆทําความเข้าใจไปแต่ก็จะมีการอธิบายที่เป็นภาษาไทยด้วยสั้นบ้างยาวบ้างตามเนื้อหาพระสูตรแต่ซึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมีความเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆก็สามารถที่จะส่งกันมาได้นะครับพระเจ้ายินดีรับฟังและข้อเสนอแนะหรือว่าข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้น เราก็จะมาคุยปรึกษากันกับเจ้าหน้าที่หลังไม้โปรดิวเซอร์ต่างๆแล้วก็รวมถึงคุณสัญยนีด้วยในพิธีจะทํารายการของเราให้มันดีให้ท่านผู้ฟังได้มีความเข้าใจธรรมะได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งบางทีมันก็ยากง่ายก็แตกต่างกันไปในแต่ละวันซึ่งท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการโดยเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษียบัตรเหมสนอจงมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่แดตําบลดอนไฮโศกอําเภอหนองหานจงังหวัด อุดนธานีรหัสบริษณี41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์แล้วก็ไปที่ www. p i r t h a c o m p u r e d h a m m a c o m ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้หนุนกันนะแล้วก็จะมีบทคัดย่อให้อ่านเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเ e ิร์ชได้แล้วก็มีข้อมูลเป็นบทความแล้วก็รายการวิจิวอื่นๆที่อยู่ทางเว็บไซต์ puretha.com นี้ด้วย ก็คไม่จําเป็นต้องถามคำถามอย่างเดียวถึงจะไปที่เว็บไซต์นี้ได้แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะก็สามารถที่ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ได้เหมือนกันแต่วันนี้จะได้ให้ฟังเรื่องที่มันเบาๆง่ายๆเป็นเรื่องที่เราสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ทันทีพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงคุณธรรมอยู่4ข้อที่จะทําให้เรามีความสุขอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเราทํา4ข้อนี้แล้วจะเป็นช่องทางให้บุญของเราออกมาได้ และในขณะเดียวกันอีก4ข้อหนึ่งก็เป็นทางที่สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้ผลเป็นความสุขความสมหวังในเวลาต่อๆไปก็มีเนื่อก็คือพูดถึงคุณธรรม4ข้อในปัจจุบันแล้วก็4ข้อในอนาคตโดยสีข้อในปัจจุบันนั้นก็คือเรื่องของการขยันขันแข็งในการทําการงานการที่เรารู้จัก ร, รักษาทรัพย์สินสมบัติของเราที่มีอยู่การที่เรารู้จักมีเพื่อนดีและคบเพื่อนดีแล้วก็การที่รู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างสม่ําเสมอนี่คือ4อย่างแรกเนื่วน4ีอย่างหลัง ที่จะทำให้เรามีความสุขความสมหวังในเวลาต่อๆไปนั่นก็คือเรื่องของศรัทธาศีลจาคะและก็ปัญญารายละเอียดที่เป็นพุทธพจน์ดได้ตรัสอไว้อย่างนี้บอกว่ามีในสมัยหนึ่งกัณฑบดีชื่อว่าพะยัคะปัชะได้ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นครนหัด ยังบริโภคกรรมแออัดอยู่ด้วยบุตรคลองเรือนอยู่ใช้สอยไม้จันจากแควนกาสีทัดสวงพวงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายรูปตายังเป็นผู้ยินดีทองและเงินอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งในปัจจุบัน และในเวลาต่อตอไปแก่พวกข้าบรุงผู้อยู่ในฐานะเช่นนี้เถิดระชจาา There is one occasion where a householder named Bayaka p a h a asked the Buddha. He asked, "Venerable sir, we are l a y m e n enjoying sensual pleasures, living at home in a house full of children." We use sandalwood from Kasi. We wear garlands, scents, and u n g l e n t s We receive gold and silver. Let the blessed one teach us the Dhamma in a way that will lead to our welfare and happiness in this pleasant life and in future lives. p a y a k a p a c h a Tham si prakar l a o n i เป็นใบเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กุลบุตรในปัจจุบัน4อย่างเพื่ออะไรเล่าคือ 1. ความตึงพร้อมด้วยความขยัน 2. ความตึงพร้อมด้วยการรักษา 3. คมการมีมิตร ด, ดีและ 4. ความเลี้ยงชีพยอย่างสม่ำเสมอใบยกะปจ ช, ชะ There are these four things that lead to the welfare and happiness of a clansman in this pleasant life. And what for? Accomplishment in initiative. Accomplishment in protection. Good friendship and balanced living. กรบดีก็ความตึงพร้อมด้วยความขยันหรืออุธานะสัมพธาเป็นอย่างไรเหล่า คือเธอในกรณีนี้สำเร็จความเป็นอยู่โดยการลุกขึ้นทำการงานคือด้วยอาชีพการเกษตรคือกสิกรรมหรือการค้าขายคือวานิชยกรรมหรือการเลี้ยงปศุสัตว์คือโครกกรรมหรือการเป็นข้าราชการทหารหรือการเป็นข้าราชการบลเรือเรือนหรือด้วยอาชีพศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งในอาชีพนั้น เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เกียจคร้านประกอบด้วยการสอดส่องในอุบายนั้นๆสามารถกระทําสามารถจัดให้กระทํานี่แหละเราเรียกว่าความถึงพร้อมด้วยความขยันหรืออุทานสัมปทา and what is accomplishment in initiative here whatever May be the means by which a clan's man earns his living, whether by farming, trade, raising cattle, archery, government service, or some other craft, he is skilful and diligent. He possesses sound judgment about it, in order to carry out and arrange it properly. this is called accomplishment in initiative กระดบีก็การตึงนร้อมด้วยการรักษาหรืออารักษาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้มีโปรกรัพย์อันหาได้มาด้วยความเปลี่ยนเป็นกระริ่ลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโปรกรัพั์ ที่ได้มาโดยทรรมประกอบด้วยธรรมเขารักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าอย่างไรเสียพระราชาจะไม่ริบเอาทรัพย์ของเราไปโจนจะไม่ปล้นเอาไปไฟจะไม่ไหม้ทำลายน้ำจะไม่พัดพาไปหรือทายาทอันไม่เป็นที่รักใคร่เราจะไม่ยื้อแย่งเอาไปหนังนี้นี้เราเรียกว่า ความถึงบรอมด้วยการรักษาหรืออารักขาสัมปทา and what is accomplishment in protection here a clansman sets up protection and guard over the wealth he has acquired by initiative and energy amassed by the strength of his arms earned By sweat of his brow, righteous wealth, r i g h t e o u s l y gained, thinking, how can I prevent kings and thieves from taking it, fire from burning it, floods from sweeping it off, and displacing eras from taking it? This is called accomplishment in protection. k o n a badi. ก็ความมีมิตร ด, ดีหรือกาลยานามิตรตาเป็นอย่างไรล่ะครัเกิดเธอในกรณีนี้อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใดก็ตามถ้ามีบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้นเป็นขรรดบดีหรือบุตรของครรบดีก็ตามเป็นคนหนุ่มที่เจริญด้วยศีลหรือเป็นคนแก่ที่เจริญด้วยศีลก็ตามล้วนแต่ตึงพร้อมด้วยศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจากะถึงพร้อมด้วยปัญญา ah, อยู่แล้วไซเธอนั้นก็ดำรงตนร่วมพูจาร่วมสากจาร่วมกับวนเหล่านั้นเขาติดตามการศึกษาความถึงพร้อม ADHD, ด้วยศรัทธาโดยอนุรูปแกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาติดตามการศึกษาความถึงพร้อม ด, ด้วยศีลโดยอนุรูปแกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีล ติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยจ่าคะ่ะโดยอนุรูปแก่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยจ่าคะติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยอนุรูปแก่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่ในที่นั้นนั้นนี่แหละเรียกว่าความมีมิตร ด, ดีหรือกัลยาณมิตรตา and what is good friendship here In whatever village, altal, a clansman lives, he associates with householders, or their sons, whether young, but of mature virtue, or old and of mature virtue, who are accomplished in faith, virtuous behaviour, generosity, and wisdom. He conversed with them. And engages in discussion with them, in so far as they are accomplished in faith, he emulates them with respect to their accomplishment in faith. In so far as they are accomplished in virtuous behavior, he emulates them with respect to their accomplishment in virtuous behavior. In so far as they are accomplished in generosity, he emulates them with respect to their accomplishment in generosity. In so far as they are accomplished in wisdom, he emulates them with respect to their accomplishment in wisdom. This is called good friendship. Good r n ก็การเลี้ยงชีพอยู่อย่างสม่ำเสมอหรือสัมมาชีวิตาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้รู้จักการได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์และดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนะักไม่ฝืดเคืองนะักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะท่วมรายจ่าย และรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้คือเปรียบเหมือนคนถือตาช่างหรือลูกมือของเขาเมื่อยกตาช่างขึ้นแล้วก็รู้ว่ายังขาดอยู่เท่านี้หรือเกินไปแล้วเท่านี้ข้อนี้ฉันใดบุคคลนั้นก็ฉันนั้นคือเขารู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์และดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้คือถ้าบุคคล น, นี้เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่สมเร็จการเป็นอยู่ อย่างฟุ่มเฟื่อยใสก็จะมีผู้กล่าวว่าบุคคล น, นี้ใช้จ่ายโภกทัพย์อย่างสุรุย่ยสุร่ายเหมือนคนกินผลเมือเดือฉันใดกระฉันนั้นแต่ถ้าเขาเป็นผู้มีรายได้มหาศาลแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างแรงแขนไใสก็จะมีผู้กล่าวว่ากลุ่บุตรนี้ใจใต้อดตายยากอย่างคนอนาถา แต่เมื่อใดเขารู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์แล้วดำรงชีวิตอ ย, อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝฟื่ยเกลื่อนนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายแล้วรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าการเลี้ยงชีพยอย่างสม่ำเสมอ Or s a m a i Vita. And what is balanced living? Here, a clansman knows his income and expenditures, and leads a balanced life, neither too extravagant nor too frugal, aware that in this way my income will exceed. My expenditures, rather than the reverse, just as an oppressor, or his apprentice, holding up a scale, knows by so much i s h a s dipped down, or by so much i s h a d gone up. So a clansman knows his income and expenditures, and leads a balanced life, neither too extravagant. Not too frugal, being aware that in this way my income will exceed my expenditures, rather than the reverse. If this clansman has a small income but l i v e luxuriously, other will say of him, "This clansman eats his wealth just like an eater of figs." But If he has a large income, but lives sparingly, others would say of him, "This clansman may even starve himself." But when a clansman knows his income and expenditure, and leads a balanced life, neither too extravagant nor too frugal, aware that in this way my income will exceed. my expenditure rather than reverse และนั่นคือข้อมูลในส่วนที่เป็นการที่จะทำให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในปัจจุบันคำที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ทันทีเลยเช่นตอนเช้าคุณไปทำงานขยันขันแข็งตอนเย็นและถ้าเป็นพวกที่รับเงินรายวัน น, นายจ้างเขาก็าจะให้เงินทันทีนี่ก็จะเป็นความสุขสมหวังในปัจจุบันได้ เป็นพวกรับรายเดือนปรายเดือนเขาก็จะให้อันเป็นผลจากการที่เรามีความขยันขันแข็งนั่นเองส่วนเนื้อหาที่จะทำให้เกิดความสุขในพบต่อๆไปวันนี้เวลาหมดแล้วทุกผู้ฟังเราจะมาให้ฟังกันต่อนในวันพรุ่งนี้นะครับรเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนโจากวัดป่าต่อนหนโศเชิญพร